ที่มาปฏิบัติที่นี่ผ่านมาได้ 3-4 วันหรือนานกว่านั้นก็ตามเนี่ยก็คงจะรู้จักหรือได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวไม่มากก็ น, น้อยแต่บางคนก็สงสัยนะความรู้สึกตัวคืออะไรและพอยิ่งสงสัยก็พยายามที่จะแสวงหาจ้องมอง เราก็อาจจะพบว่าไม่เจอสักทีไม่รู้จักสักทีไม่ได้สัมผัสสักทีความรู้สึกตัวที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องไกลตัวมากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราได้ประสบสัมผัสอยู่บ่อยๆเพียงแต่เราไม่สังเกตและมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องหาถ้ายิ่งหาก็ยิงไม่พบ แต่พอเราทำใจสบายๆก็จะได้รู้สึกสัมผัสถึงความรู้สึกตัวที่ว่ายิ่งหาก็ยังไม่พบเพราะว่าพอยิ่งหาความรู้สึกตัวมันอดไม่ได้ที่จะไปจ้องไปเพ่งไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่แขนยิ่งเพ่งก็ยิ่งไม่เจอนะเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็น ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวมๆ ม, มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้สึกสัมผัสได้จากการจ้องการเพ่งพอเราทำใจสบายสบยนะเราก็จะได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวเนี่ยในด้านหนึ่งมันก็หมายถึงว่าเรารู้สึก นะถึงการเคลื่อนไหวของกายอย่างที่เราเรียกสั้นๆว่ารู้กายรู้สึกตัวเนี่ยเบื้องต้นก็คือว่ารู้กายหรือด้านหนึ่งความรู้สึกตัวคือการรู้กายรู้กายคือรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเช่นเดินก็รู้สึกถึงการขยื่นขยับ ของร่างกายไม่ใช่แค่ที่ขาที่เท้าแต่ว่าทั้งตัวยกมือก็เหมือนกันนะมันก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของมือโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องมันเป็นความรู้สึก ร, มรวมรื่ความรู้สึกเบาๆแล้วที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้สึกต่อเนื่องเนี่ยความต่อเนื่องเนี่ย หลงพอคำเขียนท่านก็เปรียบว่ามันเป็นความต่อเนื่องแบบลูกโซ่นะไม่ใช่ต่อเนื่องแบบเหล็กเส้นเอ้ถ้าไปจ้องไปเพ่งเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีความรู้สึกแต่ว่ามันเป็นสายมันเป็นเหล็กเส้นนะอันนั้นไม่ใช่แล้วความรู้สึกที่ต่อเนื่องความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องเนี่ยต่อเนื่องแบบลูกโซ่คือว่า โซนี่อย่างที่เราก็นึกภาพออกนะมันเป็นข้อที่ต่อๆกันก็คือเป็นขณะขณะ ข, ขความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะไอความรู้กายก็เหมือนกันนะมันเป็นความรู้กายที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะต่อเนื่องกันไปรู้กายเนี่ยถ้าใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ต้องรู้กายอย่างแน่นอน เพราะนนความรู้สึกตัวบางทีเราก็เรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวหรือใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดความรู้สึกถึงการกระทําของกายซึ่งต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้ว่ากายเดินหรือว่าแขนขยับมือเคยื่อน แต่แม้กระทั่งหายใจเข้าหายใจออกหรือว่ากลืนน้าลายกระพริบตามันก็รู้ไม่ใช่รู้เพราะไปจักจ้องมันแต่มันรู้เองเพราะว่าใจมันไม่เผลอ ไ, ไหลไปที่ไหนใจมันอยู่กันนื้อกับตัวอะไรเกิดขึ้นกับกายหรือว่ากายทำอะไรมันก็รู้แต่ใหม่ๆนะเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวหรือรู้กายเท่าไหร่ แต่อย่างน้อยก็ให้รู้จักเวลามันหลงเวลาหลงนี่มันก็ถ้าเรารู้จักว่าภาวะที่หลงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยต่อไปเราก็จะรู้จักความรู้สึกตัวได้นะความหลงก็คือตรงข้ามกับความรู้สึกตัวความหลงนะเช่นเดินก็ไม่รู้สึกว่าเดิน ยกมือก็ไม่รู้สึกว่ายกมือนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเดินไม่รู้ว่าเดินไม่รู้สึกว่าเดินยกมือก็ไม่รู้สึกว่ายกมือเพราะว่าใจมันไปอยู่ที่อื่นใจมันไม่ได้อยู่กันเนื้อกับตัวใจมันไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็น อยู่วความทรงจําในอดีตหรือว่าไหลลอยไปอยู่กับความฝันหรือการสร้างภาพปรุงแต่งในอนาคตหรือเราเรียกว่าฝันกลางวันเนี่ยพอใจมันลอยไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่รับรู้นะว่ากายทําอะไรในตอนนั้นมันก็จะไม่รู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวอะไร ลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูภาวะที่ใจมันไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายซึ่งเราเรียกว่านั่นะความหลงถ้าเราไม่รู้สึกถึงตรงนั้นเนี่ยหรือว่าถ้าเรารู้ว่าไอ้ความหลงเป็นอย่างไรซึ่งที่จริงเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือว่าเกิดขึ้น 90% ของการปฏิบัติของเราพอเราคุ้นกับความหลงต่อไป เราก็จะรู้จักความรู้สึกตัวได้เพราะมันเป็นสิ่งตรงข้ามกันเหมือนกับคนที่รู้จักความมืดนะพอเห็นแสงสว่างก็รู้นะว่าแสงสว่างนี่คืออะไรนะเพราะว่ามันตรงข้ามกับความมืดแล้วคนเราก็มักจะเป็นอย่างนี้นะกายทำอะไรเนี่ยใจไม่ได้รับรู้ใจไม่ได้รู้สึกด้วยเพราะใจมันลอยมันมี ผู้หญิงคนนี่เป็นแม่ลูกอ่อนนะลูกนีก่ก็ยังเล็กแล้แม่ก็เฝ้าดูเลี้ยงดูลูกมามีช่วงหนึ่งเนี่ยแม่ก็จ้องมองโทรศัพท์มือถือนะมือขวาก็จ้องมองโทรศัพท์มือถือนะส่วนเท้าเนี่ยก็เคยยื่นขยับรถ ที่ให้ลูกเนี่ยเอาไว้นั่งนะมันมีรถสำหรับเด็กเด็กอ่อนเนี่ยนั่งเด็กที่ยังยังเดินไม่ได้เดินไม่เป็นก็ให้เด็กนั่งรถแบบนี้เราอาจจะเคยเห็นนะก็ถท้าเนี่ยเคยยื่นขยับรถเนี่ยเหมือนกับว่าคล้ายๆไกวเปลนะอาจจะคิดว่าทำให้ลูกเนี่ยหลับได้ง่าย ขณะที่แม่เนี่ยดูโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะแม่ก็เหลียว ม, มองที่รถบอกว่ามันมีแต่ตัวรถเด็กไม่ได้อยู่ที่รถ ด, ด้วยแม่ก็ตกใจลูกหายไปไหนลุกขึ้นเลยนะแล้วก็มองสายไปตามห้องไม่เห็นลูกเลย ห้องมันก็ไม่ใช่เป็นห้องใหญ่นะแต่ว่าเหลยวซ้ายแล้วขวาก็ไม่เห็นลูกกว่าตามมองก็ไม่เห็นลูกตกใจลูกหายไปไหนนะพยายามมองหาลูกนะเดินตามหาลูกหาไม่เจอนะใจเสียขึ้นมาเลยแต่จู่ๆเนี่ยเหลือมองที่มือซ้ายพร ว, ว่าลูกอยู่ที่มือซ้ายนี่เองนะ อุ้มลูกเอาไว้ที่มือซ้ายแขนซ้ายเนี่ยอุ้มลูกเอาไว้แต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าอุ้มลูกเอาไว้อุ้มลูกไว้ตั้งแต่ตอนที่นั่งดูโทรศัพท์แล้วนะไอ้ที่ลูกหายไปเนี่ยลูกไม่ได้หายไปไหนลูกหายไปอยู่ในอยู่ในอ้อมแขนของแม่เนี่ยนี่ขนาดนะขนาดเด็กเนี่ยอายุหนักก็อาจจะ4ี่ห้าโลแล้วก็ได้นะ หรือว่าสองสามโลเนี่ยแม่อุ้มลูกไว้แท้ๆด้วยมือซ้ายยังไม่รู้เลยนะและ้วอย่างดีนะเพราะว่าถ้าเกิดแม่เนี่ยปล่อยมือขึ้นมาเนี่ยขณะที่ตามหาลูกเนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกอันนี้เรอบาความไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวเนี่ย คือว่าไม่รู้กายนะไม่รู้ว่ากายเนี่ยมันถือหรืออุ้มลูกเอาไว้ก็ยังดีนะที่ว่ามันไม่เกิดความเสียหายมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไอความไม่รู้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่รู้กายนะมันไม่รู้ใจด้วยไม่รู้ใจว่าใจเนี่ยมันลอยไปไหนไม่รู้ว่าใจนี่กำลังถูกครอบงำด้วยอารมณ์ ปล่อยให้ความโกรธเล่นงานแล้วคนเราเนี่ยพอปล่อยให้ความโกรธความทุกข์ความเศร้าความโศกเล่นงานแล้วนี่มันก็เกิดความเสียหายมากมายหรือบางทีใจลอยนะใจลอยอย่างที่เราจะเคยเห็นนะแม่ที่ทิ้งลูกเอาไว้ในรถขณะที่จอดรถเพื่อที่จะไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าลูกเนี่ยอยู่หลังรถ เอารูกไปด้วยแต่ว่าพอจอดรถไว้ที่ห้างสรรพสินค้าตรงที่จอดรถที่ไม่มีไม่มีหลังคากันเนี่ยแล้วก็ออกไปซื้อออกข้าไปในห้างเนี่ยปล่อยลูกไว้ในรถโดนแดดเผากลับมาเพราะว่าลูกหมดสภาพไปแล้วเพราะโดนแดดเผาเป็นชั่วโมงขาดน้ำ บางคนก็ขาดใจตายนี่เพราะอะไรเพราะว่าลืมตัวนะใจเนี่ยมันใจลอยคิดถึงของที่จะซื้อในห้างพอลืมตัวเข้ามันก็ลืมอะไรต่ออะไรได้มากมายเช่นลืมลูกเนีอันหญ่ความลืมตัวเนี่ยหรือความไม่รู้สึกตัวนี่มันน่ากลัวนะแต่ตอนที่ที่เรามีความรู้สึกตัวนะมันก็สามารถช่วยทาให้เราเนี่ยหลุจากอารมณ์ได้ นายฐานคนหนึ่งนะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะตอนเย็นโรงเรียนนี้เนี่ยผู้ปกครองก็มีฐานะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่รถเข้าไปในโรงเรียนก็เจอรถติดแล้วและที่มันยากกว่ารถติดคือว่าที่จอดรถนี่มันหา ย, ยากนะแล้วขณะที่กําลังรอ เพื่อที่หาที่จอดรถเนี่ยแกก็เห็นนะขวามือเนี่ยมันมีที่ว่างอยู่ที่เดียวนะสำหรับให้รถจอดและตามระเบียบเนี่ยมันต้องอ้อมวงเวียนก่อนแล้วถึงจะกลับรถแล้วไปจอดได้แต่นายฐานคนนี้เนี่ยแกเห็นว่าเนี่ยคืนทาอย่างนั้นไม่มีที่จอดแน่ก็เลยหักขวาเลยนะเสียบเข้าที่จอดรถทันที ยังไม่ทันลงจากรถเลยนะก็มีผู้ปกครองอีกคนหนึ่งนะเข้ามาต่อว่าพ่อผู้ปกครองคนนี้แกก็เหลงที่จดอดรถนี่เหมือนกันนะแล้วแกก็อุตส่าห์เลี้ยวกับรถแต่ว่าโดนแย่งไปซะและ้วก็มาต่อว่าผู้ปกครองที่เป็นนายทหารคนนี้ว่าเนี่ยทํำยี่ได้ยังไงนะมันผิดระเบียบโรงเรียนนายารคนนั้นก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แก้ตัว ข้างๆครูผู้ปกครองคนนั้นก็เลยผู้ว่าเนี่ยทำยให้ใช้ไม่ได้แย่มากคนนั้นโกรธมากเลยนะไม่เคยมีใครมาด่าว่าตัวเองงั้นพอผู้ปกครองคนนั้นพลาไปขึ้นรถของตัวเนี่ยนายทหารนี้ก็คว้าปืนเลยนะคว้าปืนที่อยู่ใน อยู่ในลิ้นชักเนีวาพืนออกมาแ ล, แล้วก็ลงจากรถเดินตามเดินตามผู้ปกครองคนนั้นไปผู้ปกครองคนนั้นก็ไม่รู้นะว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นขคที่นายกระหาเนี่ยกำลังเดินตามเนี่ยเพราะว่ามันมีคนขับรถของโรงเรียนเนี่ยเห็นเหตุการณ์เขา้าแกก็รู้เลยว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยต้องเกิดเรื่องร้ายแน่ ก็เลยเดินเข้าไปใจแกก็เป็นคนที่มีความฉลาดนะเพราะรู้ว่าถ้าเดินซุ่มซ่ามเนี่ยซุ่ม4ี่ซุ่มห้าก็อาจจะตายได้เพราะอีกฝ่ายมีปืนพอไปถึงใกล้ตัวเนี่ยใจก็เอามือสัมผัสนะแขนของนายฐานคนนั้นเบาๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านครับท่านมารับรู้ไม่ใช่หรือครับนายฐานคนนั้นเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหน้า ม, มืดแล้วนะ เราว่าความโกรธนี่มันท่วมท้นใจก็เตรียมจะไปยิงผู้ปกครองที่มา ว, ว่าตัวเองแต่พอถูกทักเรื่องลูกขึ้นมานี่ได้สติเลยนะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเลยช ง, งักเลยนะไอความโกรธเนี่ยที่มันเผาผลาญใจมันหายไปเลยแล้วทำยังไงเดินกลับไปที่รถของตัวเอาปืนไปเก็บ นที่ดีนะที่บว่าที่มีคนมาทักทำให้ได้สติทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาในงานนี้ก็ก็คงมีคนตายซึ่งเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นหลายครั้งนะเป็นข่าวคนที่ลืมตัวแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นสุดท้ายนี่เดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเหยือ่อ ของความโกรธแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่ของเขาแต่เรื่องนี้ก็ชเห็นนะว่าคนเราเนี่ยแม้จะมีความโกรธจนหน้ามืด น, นะแต่ตอนทีที่มีความสึกตัวเนี่ยไอ้ความโกรธมันหายเป็นปิดทิ้งเลยนะมันไม่ช่องมันไม่ต้องอาศัยความการกดข่มอะไรเลยเพียงแค่รู้ตัวแค่รู้ตัวเนี่ยไอ้ความโกรธนี่มันก็หายไปเลย ไอ้ความรู้สึกตัวนี้มันหรือว่าการมีสตินี่มันมันมีอนุภาพมากนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ชนิดใดนะจะเป็นความโกรธความทุกข์ความเศร้าความหมดหู่ถ้ารู้สึกตัวเมื่อไรนะโดยเฉพาะถ้าเป็นความรู้สึกตัวเต็มๆนี่นะไอ้ความทุกข์ที่มันครอบงําใจนี่มันหายไปเลย ไอ้เนี่ยคือเหตุผว่าที่เรามาเราควรจะมามาเรียนรู้มาฝึกฝนเรื่องความรู้สึกตัวซึ่งค่วบคู่ไปกับการมีสติเพราะถ้าเรามีสติเมื่อไรเนี่ยความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นตามมาอที่ไม่รู้สึกตัวเพราะอะไรเพราะใจมันลอยนะมันหลงมันหลงก็ไปในความคิดหรือว่าติดในอารมณ์เนี่ยเราไม่รู้สึกตัวเพราะเราหลงความคิด ติดอารมณ์แต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่นะมันก็ทําให้สลัดความคิดนั้นได้หรือดึงจิตหลุดออกจากอารมณ์เพราะว่ามันสติทําให้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ทาให้จิตเป็นอิสระกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคือว่าไอ้ความทุกข์ที่มันครอบ ง, งาใจมันก็ละลายหายไป และสิ่งที่ตามมาต่ อ, ตอมาคือความสงบในความสงบที่เกิดความสึกตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนมักจะมองข้ามแต่มันสำคัญมากเราไปคิดว่าจะสงบได้มันต้องมีสมาธิมันต้องจิตไม่คิดไม่ฟุง้งไม่ปรุงไม่แต่งซึ่งนั่นก็จริงนะแต่ว่าในยามที่จิตมันถูกครอบงำด้วยความคิดหรือว่าติดในอารมณ์เนี่ยสติมันช่วยได้ แล้วความสึกตัวนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยกลับมานะรู้สึกถึงความปล่องร่วงเบาสบายเกิดความสงบตามมาเรียกว่าสงบเพราะรู้นะสงบเพราะรู้สงบเพราะความรู้สึกตัวแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่ช่วยทำให้ความทุกข์เช่นความโกรธความเศร้าครอบงำจิตใจไม่ได้หรือทำได้ยากขึ้นแต่ความรู้สึกว่าสติมัน ช่วยให้เราเห็นความจริงอีกอย่างหนึ่งนะว่าไอ้ความโกรธความทุกข์แท้ที่จริงแล้วเนี่ยสายเหตุของมันเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละอันนี้เป็นการถ้าใครเจอหรือเห็นตรงนี้มันถือว่าเป็นการค้นพบหรือการเรียนรู้ที่สําคัญเลยนะการที่คนเราตระหนักหรือเห็นว่าความทุกข์ในใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกนะมันเกิดจาก การวางใจที่ไม่ถูกต้องเช่นความหลงความยึดติดอันควตรงเนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยมองไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่เวลามีความทุกเรามักจะโทษสิ่งภายนอกเรามักจะไม่ค่อยมามองให้เห็นว่าไอ้ร่างเงาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราเนะ ย, ยิ่งกว่าอะไรอื่น มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักแห่งหนึ่งแล้วก็นอนค้างคืนนะคืนแรกผ่านไปวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเนี่ยเจ้าสำนักก็ถามว่าเป็นยังไงหลับได้ไหมชายคนั้นก็บอกว่าตอนแรกๆนี่หลับไม่ได้เลยจนเกือบถึงเที่ยงคืนนะนะเอา้าทำไมล่ะห่านมันร้อง มันร้องเสียงดังมากเลยผมเลยนอนไม่หลับและตอนหลังหลับมกบอกหลับครับเพราะว่าผมเพิ่งผมนึกขึ้นมาได้ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะได้อัานคำบรรยายนะของครูบาอาจารย์หลายท่านผมก็เลยเอาหูฟังเนี่ยเสียบนะกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดคำบรรยายของครูบาอาจารย์ บอกว่าในสุดก็หลับได้จนเช้าอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยนี่แสดงว่าไอ้ที่ไม่หลับเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเสียงดังหรอกที่แล้บอกเนี่ยหลับไม่ได้เลยเพราะเสียงห่านมันดังแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเสียงห่ามันยังเบาวกว่าเสียงบรรยายนะจากโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเสียงบรรยายนี่ยนะ หูฟังเสียบใส่หูเนี่ยมันก็ต้องดังกว่าอยู่แล้วเพฉนั้นที่ชาวนี้บอกว่าเนี่ยนอนไม่หลับเพราะเสียงหามันดังนี่จึงไม่จริงหรอกเพราะถ้าเสียงดังเนี่ยนะมันก็นอนไม่หลับอยู่แล้วนะจากการฟังเสียงบรรยายแต่ทําไมหลับได้นะเมื่อได้ฟังเสียงบรร ญ, ญายองครูบาอาจารย์ก็เพราะใจมันชอบเนี่ยแต่ที่ได้ยินเสียงหาแล้วนอนไม่หลับเนี่ยไม่ใช่ว่าเสียงมันดัง แต่พอใจมันไม่ชอบมากกว่าใจมันรู้สึกลบกับเสียงหา่านแต่ใจมันเป็นเป็ น, ป น, ป น, ปนมันเป็นบวกกับเสียงครูบาอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยความดังของเสียงห่านนี่ไม่ใช่ปัญหาหรือสาเหตุแต่เป็นพาอใจไม่ชอบไม่ชอบเสียงหา่านตัวสมูทไทยอยู่ตรงนี้นะเหตุแห่งความหงุดหงิดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เสียงห่านนะแต่ว่าความไม่พอใจ พอพอลองปรับใจให้มันจากลบกลายเป็นบวกนะความทุกข์มันก็หมดไปนะอย่างผู้ชายคนนึงเคเล่าว่าเนี่ยทุกเช้าเนี่ยก็จะนั่งสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิได้ดีนะสงบทุกเช้าเลยนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยใจกำลังสงบอยู่ดีๆนะมีเสียง ค้อนตอกจากห้องข้างๆไอเสียงค้องยงไม่ท่ายนะต่อมาเสียงเลื่อยนต เ, เสียงเลื่อยนต์นี่มันทำให้ใจกระเพื่อมเลยนะขณะที่นั่งสมาธินี่เสียงพอเสียงเลื่อยยนตดังเนี่ยใจมันก็กระเพื่อมขึ้นเลยแต่ว่าแกก็มีสตินะมีสติรู้ทันพอเห็นใจกระเพื่อมเนี่ย พอเห็นใจก็เพิ่มขึ้นหรือพอรูทันใจก็เพิ่มขึ้นใจมันก็กลับมาเป็นปกติแต่เผลอที่ลายในใจก็กรเพิ่มขึ้นทุกทีก็เป็นอย่างนี้อยู่พักใหญ่นะจนกทั่งในสุดแกก็มาพิจารณาเสียงเรื่อยจนนั้นแล้วก็พบว่าเนี่ยเสียงมันบางทีมันก็กระชากกระชั้นบางทีเสียงก็ลากยาวบางทีเสียงสูงบางทีเสียงต่ำบางทีเสียงดังบางทีเสียงค่อย พิจารณาไปเออมันเหมือนกับเหมือนกับเสียงเพลงเลยนะเพลงเฮฟวี่เนี่ยเฮฟวีเมทัลทันทีที่มองเป็นเสียงเพลงนะใจมันสงบเลยนะแล้วเกิดความเพลินกับเสียงนั้นมีช่วงหนึ่งเสียงมันหายไปนะชายคนนั้นก็นึกทั้งอยากให้เสียงมันดังใหม่นะเสียงก็เสียงเดิมนะแต่ทำไมความรู้สึกเปลี่ยนไปทีแรกเนี่ยรู้สึกลาคาญหงดหงิด แต่ตอนหลังเนี่ยเสียงกับกับความรู้สึกเพลินเสียงเหมือนเดิมแต่ว่าใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปนทีแรกใจรู้สึกเป็นลบ ก, กับเสียงมันก็เลยหงุดหงิดแต่พอใจรู้สึกเป็นบวกกับเสียงนั้นพอมองก็เป็นเสียงเพลงเฮฟวี่ใจมันก็เลยสงบเขาก็เลยรู้ว่าเนี่ยอ๋อไอ้ความหงุดหงิดของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเสียงหรอกแต่มันเป็นเพราะท่าทีในใจของเรามากกว่า ถ้าชอบมันก็งุดหงิดเมื่อได้ยินถ้าไม่ชอบมันก็หงุดหงิดเมื่อได้ยินแต่ถ้าชอบเนี่ยความหงุนก็หายไปกลายเป็นความเพลินอันตรงนี้คือเคล็ดลับหรือความจริงที่ถ้าเราเนี่ยหันมามองตัวหันมามองใจด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวเราจะพบเลยนะว่าไอความโกรธความเศร้าความงุดหงิดเนี่ย เวลาเกิดการกระทบขึ้นมาตาหูรูปผู้ดินเสียงมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกนะมาเท่ากับจิตใจของเราอากาศกิริยาหรืออากาศของใจที่มันเป็นลบหรือเป็นบวกตรงนี้คือปัญหามากกว่าแต่คนก็ไม่ค่อยชอบจะมองนะเพราะว่าเราเวลามีความทุกข์ใจเรามักจะโทษ สิ่งภายนอกมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทาคำพูดของใครไม่ว่าจะเป็นเสียงดังส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความโกรธนี่มันทำให้จิตมันส่งออกนอกเด้งง่ายอีกส่ว น, นก็เพราะว่าใจาไม่ค่อยยอมรับนะว่าไอ้รากเง่าหรือปัญหา ม, มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าที่สิ่งอื่นคนเราไม่ค่อยยอมรับนะว่าเราเองเนี่ยนะมีข้อผิดพลาดยางไง หลวงพ่ชอชาตบ่อเนี่ยเวลาเวลายื่นมือเข้าไปในหลุมนะถ้าว่ามือเนี่ยเอื้อไม่ถึงก้นหลุมเนี่ยคนมักจะพูดว่าเนี่ยเป็นเพราะหลุมมันลึกไม่มีใครนะ่ที่จะบอกว่าเป็นเพราะแขนเรามันสั้นทุกคนจะโทษว่าเป็นเพราะหลุมลึกนะไม่มีใครบอกว่าเป็นเพราะแขนเราสั้น ตรงนี้ก็คือสิ่งเป็นภาพลวงนะที่ทำให้คนเราเนี่ยมักจะไปโทษสิ่งภายนอกว่าเป็นที่มาของความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความโกรยความหนุงหงิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะใจของเรามากกว่ามันคล้ายกับหมาขี้เรือนนะรู้จ่าเคยเปรียบว่าหมาขี้เรือนตัวหนึ่งเนี่ย มันไปนอนใต้ร่มไม้มันก็คันแล้วมันก็คิดว่าเป็นเพราะใต้ต้นไม้นี่นะมันไม่ดีพอมันก็ย้ายไปนอนใต้ถุนศาลาแล้วมันก็คันมาคิดว่าเป็นเพราะใต้ถุนศาลานีมันสกปรกหรือว่ามันไม่เหมาะกับมันมันก็เลยย้ายไปที่ห้องน้ำแต่มันก็ยังคันอยู่ บางคนคิดว่าเป็นเพราะสถานที่ที่มันไปแต่แม้ว่ามันจะไปที่ไหนเนี่ยมันก็ขันทุกที่แต่มันอดไม่ได้ที่จะไปโทษนะสถานที่แต่มันลืมมันไม่ได้มองว่าเป็นเพราะมันมีแผลอยู่ตามผิวหนังเพราะเป็นโรคขี้เอนแล้วคนจํานวนมากเนี่ย เวลามีความทุกข์เนี่ยก็มักจะโทษสิ่งภายนอกโทษสถานที่แต่ว่าไม่ได้เหลือมาดูตัวเองพู้เ จ, จ้าตรัสว่าเนี่ยมือที่ไม่มีแผลจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่เนี่ยถูกยาพิษจึงจะเป็นอันตรายเมื่อ น, นั้นอันนี้เป็นอุ ป, ปมาอุปไมยที่น่าสนใจนะถ้าว่าเกิด ไปถูกยาพิษแล้วเนี่ยเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาเนี่ยท่านสอนว่าอย่าไปโทษยาพิษให้มาดูว่าเป็นเพรามือเรามีแผลหรือเปล่าใจเราถ้าใจเรามีแผลนะมันสัมผัสอะไรเนี่ยมันก็เกิดทุกข์ได้ง่ายเดีย๋ยวว่าอะไรเลยมือที่มีแผลเนี่ยเจอยาคาบางๆเบาๆก็เจ็บก็ปวดเดีย๋ยวว่าแต่ไปเจอหินเจอเจอหนามเลย ถ้ใจเราถ้าใจเรามีแผลนะมีการกระทบอะไรเกิดขึ้นมันก็ทุกได้ง่ายแล้วคนเรากดไม่ได้ที่จไปโทษรูปร ก, กินเสียงสัมผัสเสียงภายนอกว่าทำให้เราทุกข์ทำให้เราเจ็บปวดในใจแต่ที่จริงมันเป็นเพราะใจเรา ม, มีแผลคือมันไม่มีสติรักษาใจนะถูกจึงปล่อยให้อารมณ์ความทุกข์ความโกรธต่างๆครอบงําใจ อันนี้คือความจริงนะที่ถ้าเราเห็นนะมันจะมีคุณมีประโยชน์มากเลยเพราะมันจะช่วยน้อมนําให้เราเนี่ยหันมาปรับเปลี่ยนที่ใจของเราแทนที่จะไปคิดปรับเปลี่ยนภายนอกหรือว่ากําจัดสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งความกลัวแห่งความหงุดหงิดออกไปพถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยนะมันก็จะไม่มีทางแก้ปัญหาได้ก็เหมือนกับหมาขี้เลื่อน มันย้ายที่ย้ายวัดหรือว่าย้ายสถานที่ยังไงมันก็ไม่หายขันเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกจุดนะก็คือว่ามาแก้ที่ตัวมันนั่นแหละทําให้มันรักษาแผลให้มันหายนะเหมือนกับการรักษาใจนะไม่ให้ความหลงครอบงามันก็ทําให้ความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราได้หรือถึงเกิดขึ้นก็ไม่สามารถทําเผาลนบีบคั้นหรือว่ากรีดแทงใจเราได้